Thank you.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 แต่จะว่าไปคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะก็คือคิดว่าความตายนี่ยเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกคิดไปแล้วอับประมงคนเปล่าๆแล้วก็เลยไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเตรียมตัวแต่สําหรับชาพุทธเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวด้วยเหตุ น, นี้พระเจ้าเนี่ยจึงจัดเป็นปชิมโอว่าหรือปชิมวาจาคนเราเนี่ยเมื่อจะเมื่อจะตายเนี่ยและถึงจำถึงเวลาต้องสั่งเสียเนี่ย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 ปฐมเทศนาแล้วนี่ต่างกันเยอะนะปฐมเทศนานี่ยาวเป็นเจ็หน้าเลยแต่ว่าปชิ ม, มาวาจายนี่แค่สองบรรทัดแต่ก็เป็นสองบรรทัดที่สำคัญมากนะที่เราควรจะตระหนักสังขารใดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็หมายถึงว่าต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายตายแ น, น่ๆแล้วปะัะเดนนี้เนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างไม่ประมาทหมายความว่าพยายามใช้ ทุกเวลาและนาทีที่มีลมหายใจเพื่อทําสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่าปล่อยให้มันเปล่าเปล่าเลยไปโดยไร้ประโยชน์หรื อ, อย่อไปเป็นผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การราู้ถึงความตายเนี่ยที่เรียกว่ามรณาสติหรือมรณาอ น, นุสตเิเป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าเนี่ยส่งส่งเสริมและเน้นย้ําในบรรดาอนุสติสิประการ อนุสติในชีวิตหมายคือการระ ล, ลึกนึกถึงเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตเนี่ยก็มีมรณาสติหรือมรอ น, า น, านุสติเนี่ยเป็นข้อข้อที่เหลือก็เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างที่เราได้ตรวจเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการน้อมใจให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์เพื่อเพิ่ม บ, บูชาทานในพระตนัดใจรวมทั้งการระลึกถึงความดีที่ได้ทําเรียกว่าศีลานุสติระ ล, ลึกถึงความเสียสระ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 เพื่อเขาเขาอยากได้โอกาสที่จะไปแก้ตัวหลายคนที่ไม่อยากตายยังไม่พร้อมตายไม่ใช่เพราะเขากลัวตายโดยตรงนะแต่เป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะมีโอกาสแก้ตัวเพื่อทําความดีรวมทั้งให้เวลาใส่ใจคนรักฉะนั้นถ้าเกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าควรกับการภาคภูมิใจเราก็พร้อมที่จะตายได้ไดมากขึ้น หรือว่าทำให้การตายของเราเป็นการตายที่ดีได้และขณะเดียวกันคนที่ตระหนักว่าในเมื่อเราต้องตายก็ต้องตายดีให้ได้ไอความคิดแบบนี้แหละความตั้งใจแบบนี้แหละก็จะไปทำให้เราเพยายามใช้ชีวิตมีคุณค่าเพราะว่าถ้าเราชื่อตเราไม่มีคุณค่าเนี่ยมันก็ตายไม่ดีการที่เราตระหนักถึงความสาคัญการตายดีมันทาให้เราไม่เพียงแต่ทาความดี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 เจอมาเยอะแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่มีเรื่องไม่มีแรงแล้วแต่ว่านินสัยหรือว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือสันดาลเนี่ยถ้าเรียกภาษาเพื่คือกิเลสเนี่ยมันจะมีกำลังยิ่งกว่าเดิมมันจะ อ, อารวาสหนักกว่าเดิมไอตอนที่ยังปกติธรรมดา ย, ยังพอควบคุมกิเลสได้พอควบคุมสันดาลได้แต่พอจะตายเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะ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 อย่างนี้จะตายดีได้อย่างไรแม้จะไปรอจะไปนึมนพระที่เป็นพระอาจารย์เจ้าที่มีคุณวิเศษมันนาทางก็คงจะยากดังั้นถ้าเราเห็นความสำคัญการตายดีเนี่ยมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ไม่เพียงแต่ทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลพยายามห่างกายจากความชั่วแต่ต้องฝึกการปล่อยวางด้วย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 คอยปกปักรักษามันเอาไว้เป็นองค์ลักรพิทักษ์ความเศร้าความโกรธคอยหวงคอยแห น, นสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแต่ถ้าเราหมั่นรลสตินะเราก็จะเรียนรู้การปล่อยการวางได้า น, านัการภาวนาเป็นสิ่งสําคัญนะที่ไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เราสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบเด็น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 การสอบทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาสอบตกมันไม่ได้ตกจริงนะแค่ซ้ำชั้นแถมแก้ตัวได้ด้วยคือสอบซ่อมสอบเอนชั่นไม่ได้ก็สอบใหม่สอบสมัครงานไม่ได้ก็สอบใหม่บางคนสอบในสอบมา1ิปีแล้วก็ยังสอบได้ยังสอบอยู่เรื่อยๆพระหลายรูปสอบประโยค9ก้ามา20สปีแล้วก็ยังก็ยังสอบแต่ว่าไอ้วิชาชีวิตเนี่ย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 เอาไว้ค่อเช่น อ, อีกหนึ่งเดือนก่อนสอบค่อยๆเตรียมตัวแล้วกันตอนนี้ก็เชื่อไปก่อนทำโนวนทํานี่ไปก่อนอีกหนึ่งเดือนก่อนสอบก็ค่อยเตรียมตัวแต่วิชาชีวิตเนี่ยสอบไา้วิชาชีวินนี้มันไม่มีการประกาศล่วงหน้าเพราะฉะนั้นต้องพร้อมตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เอาไว้กว่าจะสอบคงอีก 30- 40ปีหรือ50ปีนี่ประมาทมาก